รู้ทางเห็นนิมิตนิมิตคือภาพที่ปรากฏในใจเป็นเครื่องหมายบอกให้จำได้ถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งอาจเกิดขึ้นจากการตั้งใจนึกถึงเช่นนึกถึงตัวแรกหรืออาจเกิดขึ้นโดยไม่ตั้งใจนึกคิดเช่นภาพฝันขณะหลับหรือสลืมสลือไม่รู้ตัวเป็นต้น ความเป็นภาพที่ปรากฏในใจนั้นสำหรับคนทั่วไปที่จิตอยู่ในสภาพนึกนึกคิดคิดธรรมดาต้องบอกว่าเป็นเพียงเครื่องหมายแทนของจริงอะไรอย่างหนึง่งเช่นคุณสามารถนึกถึงเลขสี่แล้วปรากฏรูปรอยประมาณสามเหลี่ยมบวกกับเส้นตรงแน่นอนคุณสามารถนึกถึงเลขสี่ในใจแต่ถ้าไม่มีใครสกิด คุณก็จะไม่เฉลียวใจสังเกตว่าที่เห็นนั้นมีรายละเอียดอย่างไรกันแน่เช่นเป็นรูปแผวเลือนหรือจำชัดเป็นเลขขาวบนพื้นดำหรือว่าเป็นเลขดำบนพื้นขาวเป็นเลขอารบิกรหรือเลขไทยมีขนาดใหญ่หรือขนาดเล็กเป็นเส้นขีดตรงตรงหรือโคดงอตัวเลขปรากฏอยู่นานกี่วินาที รู้สึกว่าตัวเลขปรากฏอยู่ในหัวลําไปทางด้านบนด้านล่างด้านซ้ายหรือด้านขวายิ่งพินิษฐสิ่งที่คุณคุ้นมาทั้งชีวิตชนิดนี้มากขึ้นเท่าไรคุณจะยิ่งเห็นว่าตัวเองไม่เคยใส่ใจไม่เคยทราบรายละเอียดเกี่ยวกับนิมิตทางใจของตนเองเลยทราบแต่ว่ามันมีรูปรอยบางอย่างเกิดขึ้นในใจจริงๆเท่านั้น วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับระบบประสาทบอกเราว่าที่เกิดรูปรอยเลขสี่ขึ้นในใจได้นั้นก็เพราะเรามีความทรงจำเกี่ยวกับเลขสี่ฝังอยู่ในสมองส่วนหนึ่งและเมื่อใจนึกถึงเลขสี่ก็จะมีการยิงเซลล์ไปตามเส้นประสาทภายในเขตสมองที่เกี่ยวข้องกับการเห็นภาพอาจตรงกันหรือใกล้เคียงกับที่จาไว้ นั่นหมายความว่ายิ่งมีการระดมยิงเซลล์ประสาทมากขึ้นเท่าไรคุณก็จะยิ่งเห็นเลขสีคมชัดขึ้นเท่านั้นและยิงเซลล์ประสาทส่งออกมาต่อเนื่องนานขึ้นเท่าไรเลขสีก็จะยิ่งปรากฏอยู่ในใจนานขึ้นเท่านั้นหากใจคุณเป็นสมาธิทำให้สมองยิงเซลล์ประสาทได้มากและนานตามต้องการแล้วล่ะก็ข้อสงสัยเกี่ยวกับนิมิตเลขสีจะหายไป กลายเป็นของสั่งได้ขึ้นมาทันทีเช่นถ้าอยากเห็นเลขอารบิกสีดำบนพื้นขาวมีขนาดใหญ่คงเส้นคงวาเป็นขีดตรงเสมอกันปรากฏนานสิบวินาทีที่ระยะห่างจากสายตาประมาณสองฟุตก็จะเห็นตามที่ต้องการเช่นนั้นครบเมื่อมีสมาธิคุณจะพลิกแปลงนิมิต ท, ทางใจได้ไม่จำกัดเช่น นึกให้เลขสี่เป็นสีชมพูหรือสีเขียวนึกให้เลขสี่คงที่หรือกระพริบติดติดดับดับเป็นจังหวะสม่ำเสมอเป็นต้นแต่หากขาดสมาธิแค่นึกถึงขีดเลขสี่รางๆไว้ให้ได้เกินสองวินาทีก็นับว่ายากแล้วเห็นนิมิดตัวเลขในใจได้นานๆมีประโยชน์อะไรคนทั่วไปอาจจะยังนึกไม่ออกทันที นักคณิตศาสตร์บอกได้เลยว่าการคิดเลขในใจจะเป็นไปได้อย่างราบรื่นบวกลบคูณหารได้ไม่ต้องพึ่งพากระดาษกับปากกาการะดานดำกับช็อคหรือเครื่องคิดเลขกันเลยตรงนี้สอนให้ทราบว่าถ้าฉลาดทางจิตคุณมีสิทธ์ฉลาดทางความคิดเพิ่มขึ้นหลายเท่าตัวเพื่อยือนอยันความจริงนี้ให้ชัดขึ้น เรามาดูกีฬาทางจิตประดับโลกดังเช่นหมากรุกซึ่งอดีตจนถึงปัจจุบันมนุษย์ใช้เป็นสัญลักษณ์ความฉลาดกันมาโดยตลอดสำหรับคนทั่วไปจำเป็นต้องอาศัยตัวหมากและกระดานจริงที่เห็นด้วยตาเปล่าเป็นรูปทรงช่วยให้คิดคำนวณได้ชัดเจนรู้สึกจับต้องได้แต่ในทางปฏิบัติคนที่เล่นไม่ค่อยเก่งหรือเก่งธรรมดา จะลำบากกับการเห็นมากให้ทั่วอย่าว่าแต่คิดให้รอบข้อยิ่งถ้าเพิ่งหัดเล่นเกือบร้อยทั้งร้อยจะคิดได้แค่ชั้นเดียวเท่าที่ตาเห็นว่าตัวเองจะต้องเดินตาไหนและเดาว่าคู่เล่นมีสิทธิ์โต้ตอบมาอย่างไรการคิดสองชั้นสามชั้นหมายถึงการเคลื่อนหมากอยู่ในใจ ไปไกลเกินกว่าที่เห็นด้วยตาเปล่าตรงหน้าคนที่เห็นไกลกว่าถูกทางชนะมากกว่าย่อมได้ชื่อว่าคำนวณเก่งกว่าและเป็นฝ่ายกใชัยในที่สุดผู้ที่สามารถเคลื่อนหมากอยู่ในใจได้เป็นสิบสิบชั้นส่วนใหญ่เป็นพวกระดับประเทศหรือระดับโลกหมายความว่าพวกเขาข้ามพ้นการเห็นด้วยตาเปล่า เห็นนิมิตกระดานหมากลุกพร้อมทั้งตัวหมากเคลื่อนที่ได้ในใจอย่างแจ่มชัดเป็นเวลาเนิ่นนานกว่าคนธรรมดาถ้านักหมากรุกคนไหนสามารถเห็นหมากได้เกินห้าชั้นขึ้นไปพวกเขามักมีความสามารถหลับตาเห็นได้ด้วยใจเป็นรูปกระดานสองมิติพร้อมตัวหมากครบทุกตำแหน่งทั้งนี้เพราะระบบวิธีคิด กับความทรงจำอันทลุปรุโปร่งในเกมหมากรุกของพวกเขากระตุ้นให้จิตเห็นเครือข่ายการประสานงานกันของตัวหมากทั้งหมดได้แบบมีความเคลื่อนไหวปัจจุบันวงการหมากรุกที่แข่งขันกันจริงจิงรางวัลกันเป็นแสนเป็นล้านนั้นเป็นความสำคัญของการหลับตาเห็นเป็นอย่างมากจึงมีอัพมือถือเอาไว้ฝึกหัดกันโดยเฉพาะ เรารู้ดีว่ายิ่งใครมีความสามารถหลับตาเห็นหมากกระจางชัดขึ้นเท่าไหร่ก็ยิ่งมีสิทธิ์เห็นหมากล่วงหน้าได้ไกลขึ้นเท่านั้นด้วยนิมิตหมากรุกของบรรดาเสียนทั้งหลายนั้นอาจเปรียบเทียบได้กับนิมิตตัวเลขของเหล่านักคณิตศาสตร์ชั้นอ๋องกล่าวคือยิ่งมีความคิดวนเวียนเกี่ยวกับตัวเลขหรือตัวหมากมากขึ้นเท่าไหร่ สมองก็ยิ่งส่งเซลล์ประสาทออกมาล้นหลามและต่อเนื่องมากขึ้นเท่านั้นนักหมักรุกที่เล่นเป็นอาชีพต้องขลุกจิตอยู่กับนิมิตเดินหมากล่วงหน้าในใจวันละแปะชั่วโมงบ้างหรือเกินสิบชั่วโมงบ้างจึงไม่น่าประหลาดใจหากจิตของพวกเขาจะเป็นสมาธิเห็นนิมิตภาพในใจได้ชัดเจนราวกับคนเล่นกสินสมาธิ กสินสมาธิคือสมาธิอันเกิดจากการน่วงนึกรูปทรงใดรูปทรงหนึ่งหรือสีใดสีหนึ่งไว้ในใจเช่นทุกคนจำได้ว่าดวงอาทิตย์กลมๆเป็นอย่างไรแต่ไม่ทุกคนที่หลับตาแล้วเห็นดวงอาทิตย์ในใจได้นานๆลองทดสอบตัวเองดูเดี๋ยวนี้ก็ได้ขอให้หลับตาและนึกถึงดวงอาทิตย์ที่คุณเคยเห็นอยู่บนท้องฟ้าจะเป็นสีขาวจ้า หรือสีส้มอ่อนก็ตามเอาที่จําได้ถนัดพอนึกออกก็ให้นับในใจหนึ่งสองสามไปด้วยเพื่อดูว่าคุณหน่วงนึกเห็นภาพดวงอาทิตย์ได้ประมาณกี่วินาทีก่อนภาพจะเลือนหายไปจากใจสิ่งที่เกิดขึ้นกับคนส่วนใหญ่คือจะมีช่วงสั้นๆช่วงแรกที่สามารถนึกถึงวงกลมขาวมนได้เลือนราง หรือค่อนข้างชัดบางคนครึ่งวินาทีบางคนก็ทำได้หนึ่งวินาทีบางคนอาจจะไปได้ถึงห้าวินาทีก็มีแล้วแต่ความหนักแน่นทางใจที่มีอยู่เป็นทุนแต่หลังจากช่วงของการเห็นชัดผ่านไปแม้พยายามนึกต่อก็กลายเป็นวงไม่กลมเบี้ยวเบี้ยวที่โย่ไปโย่มาและเต็มไปด้วยรอยขีดข่วนรบกวนจิตใจ เป็นเหตุให้ไม่อยากฝืนทนแต่อยากลืมตาขึ้นเสียทีเกือบร้อยทั้งร้อยจะไม่นึกสนุกอยากฝึกอีกเลยและไม่เชื่อกระทั่งว่าเป็นไปได้ที่ใครจะฝึกเห็นให้วงกลมปรากฏแจ่มชัดเป็นชั่วโมงชั่วโมงฉะนั้นชัวชีวิตของคนทั่วไปจึงไม่รู้จักประสบการ์ศินสมาธิอยาว่าแต่จะทราบสบรรพคุณของอำนาจจิต อันเกิดจากการฝึกตรึงภาพไว้ในใจได้นานๆอันที่จริงแล้วการเห็นนิมิตอยู่ในใจไม่จำเป็นต้องอาศัยภาพรูปทรงที่มีความแน่นอนเสมอไปขอเพียงคุณรู้วิธีที่อาจหายใจในแบบที่จะก่อให้เกิดนิมิตขึ้นมาได้เช่นกันก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจว่านิมิตลมหายใจที่ถูกต้อง ไม่ได้เกิดจากการนึกสร้างเอาเหมือนตัวเลขหรือรูปวงกลมแต่เกิดจากการสังเกตความต่างกันของลมหายใจและหลายครั้งลมหายใจจะกลายเป็นสิ่งกระตุ้นจิตให้เกิดภาพในใจทันทีที่คุณรู้ว่าขณะนี้กำลังหายใจเข้าหรือออกอยู่เพียงรู้เท่านั้นสัมผัสจากทางลมก็ก่อนิมิตรูปรอยของสายลมขึ้นในจิตเองแล้ว ที่คุณยังไม่รู้สึกว่าเห็นนิมิตอะไรเลยเป็นเพราะขณะอ่านหนังสืออยู่นี้สมองต้องประมวลผลการเห็นทางตามากกว่าอย่างอื่นไหนจะมีอาการคิดตามซึ่งแรงคลื่นสมองให้มีความถี่สูงรวมแล้วจึงเต็มไปด้วยสิ่งบทบังทัศนวิสัยทางจิตจนเกือบมิดตอนเมื่อจิตของคุณได้รับการฝึกให้เอาใจใส่ รู้เห็นความแตกต่างกันระหว่างลมหายใจอย่างน้อยสามระลอกสมองจะถูกโปรแกรมใหม่ให้ลดสัญญาณภาพทางตาลงเคลื่อนสมองถูกดึงให้ช้าลงจนทัศนวิสัยทางจิตปลอดโปร่งขึ้นกว่าเดิมบ้างสิ่งที่คุณน่าจะรู้สึกเป็นอันดับแรกคือลมหายใจระลอกที่หนึ่งซึ่งยาวกว่าปกติธรรมดาถูกกเข้าไปสุดที่ปอดเต็มแน่น หากคุณไม่เร่งรีบไม่คิดถึงเรื่องอื่นทัศนวิสัยทางจิตจะถูกปรับให้พร้อมเห็นลมหายใจระลอกต่อมาดังนั้นเมื่อถึงเวลาที่ร่างกายต้องการลมเข้าครั้งต่อไปคุณจึงอาจพบความแตกต่างเช่นลมระลอกที่สองอาจสั้นกว่าระลอกแรกนิดนึ่งหากไม่สังเกตจะไม่ทราบเพราะคล้ายกันมาก ระลอกที่สามคุณอาจกลับไปหายใจตามความเคยชินเดิมๆคือดึงลมเข้าแค่สั้นๆปอดขยายเพียงเล็กน้อยด้วยปริมาณลมที่น้อยถัดจากนั้นคลื่นความฟุ้งซ่านในหัวอาจตีกลับท่วมทับหนาแน่นบทบางทัศนวิสัยไม่ให้เห็นลมหายใจระลอกที่สี่ได้แม้คุณจะพยายามทำความรู้สึกให้อยู่กับลมหายใจ ก็รับรู้ได้เพียงน้อยนิดเหมือนไม่เคยเห็นอะไรดังเคยถึงจุดนี้คนส่วนใหญ่จะรู้สึกซัดสายเหนื่อยขี้เกียจ ด, ดูต่อซึ่งก็เพราะจิตถูกปกคลุมด้วยเมฆหมอกความฟุ้งซ่านดวงจิตคับแคบรู้สึกทึบตันและบีบคั้นให้เกิดความท้อถอยแต่หากรับรู้สิ่งที่กำลังปรากฏชัดที่สุดขณะนั้น อันได้แก่ความอึดอัดซัดสายก็จะพบความจริงว่าสภาพย่ำแย่ของจิตเป็นนิมิต ท, ที่ถูกรู้ได้เช่นกันสำคัญคือถ้าความปรุงแต่งทางใจอันใดปรากฏเป็นนิมิตต่อใจของคุณได้นิมิตความปรุงแต่งนั้นก็มีความน่าดูเหมือนกันหมดเมื่อรู้สึกว่าน่าดูหรือพอดูได้ ก็เกิดความอยากดูต่อเพื่อพบว่าความรู้สึกอึดอัดซัดสายกระวนกระวายนั้นเหมือนบทขยี้จิตคุณได้ครูหนึ่งแล้วก็คลายตัวออกของมันเองโดยคุณไม่จำเป็นต้องทำอะไรเลยเมื่อความอึดอัดคลายตัวออกสิ่งที่จะพบเป็นอันดับต่อมาคือจิตถูกกระตุ้น ให้เกิดการรู้เห็นลมหายใจได้ใหม่แล้วรอบนี้หลังจากเห็นนิมิตลมหายใจชัดได้สองสามระลอกก็อาจเกิดความอิ่มใจนึกอยากขยันอยากรอดูนิมิตลมหายใจระลอกต่อไปหรืออยากดูแม้กระทั่งนิมิตความอึดอัดกระวนกระวายที่อาจเข้ามาเยือนอีกเปรียบเหมือนช่างชักรอกที่ไม่อู้งาน จักรอขึ้นลงด้วยความเพลิดเพลินเจริญใจโดยไม่วกแวกไปทางอื่นยิ่งคลื่นความปุ้งซ่านในหัวลดลงมากเท่าไหร่พอหายใจเข้าดีๆก็จะเห็นนิมิตสายลมเป็นทางลากยาวและเหมือนสว่างนวลขึ้นเรื่อยๆได้ตรงนั้นเองที่จิตจะเริ่มเกิดความฉลาดรู้ทางเห็นนิมิตลม สรุปได้เป็นข้อคือข้อที่หนึ่งรู้ธรรมดาธรรมดาว่ากำลังหายใจเข้าหรือหายใจออกขั้นนี้จะเป็นขั้นของการรู้ว่าหายใจเฉยๆยังไม่เกิดทัศนวิสัยทางจิตใดๆมากไปกว่านั้นข้อที่สองใจจดใจจ่อเป้าเปรียบเทียบดูว่า ลมหายใจต่อๆมายาวกว่าหรือสั้นกว่ากันถ้ายาวกว่ารู้ว่ายาวกว่าถ้าสั้นกว่ารู้ว่าสั้นกว่าถ้าเท่าเดิมรู้ว่าเท่าเดิมยอมรับสภาพไปเป็นครั้งๆหากรู้หลายระลอกเข้าทัศนวิสัยทางจิตจะเกิดขึ้นเองข้อที่สาม เมื่อคลื่นความฟุ้งซ่านวกกลับมาคุณแค่เปิดประตูรับปล่อยให้มันเข้ามาเต็มๆเมท่าที่มันอยากมาโดยรู้ไปด้วยว่ามันผ่านมาทางซ้ายเดี๋ยวก็ออกไปทางขวามันผุดขึ้นที่กลางหัวเดี๋ยวก็หายไปที่กลางหัวไม่มีความจําเป็นใดๆต้องไปกลุ้มใจหรือเร่งรัดให้มันล่องหนหายตัวแต่อย่างใดเลย เมื่อฉลาดรู้ทางเห็นนิมิต ท, ที่เกิดขึ้นในใจจิตของคุณจะหนักแน่นมีความคงเส้นคงวามากขึ้นเรื่อยๆซึ่งก็เพราะเมื่อจิตถูกตรึงอยู่กับโฟกัสเดิมไม่เปลี่ยนกระแสจิตจะถูกรวบรวมมาผนึกตัวเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆนั่นเองความฉลาดเห็นนิมิต ท, ทางใจเป็นจุดเริ่มต้นของความฉลาดทางจิตขั้นสูง กล่าวคือเมื่อรู้จักลมหายใจมาอาศัยเป็นตัวตั้งให้เกิดนิมิตแสดงความไม่เที่ยงได้คุณก็จะสามารถต่อยอดการเห็นความจริงที่ปรานีตลึกซึ้งได้ไม่มีที่สิ้นสุดเพราะความไม่เที่ยงคือมูลฐานความจริงครอบจักรวาลหากจิตใดฉลาดพอจะเห็นจิตนั้นย่อมไม่ยอมงโง่ให้อะไรครอบงาได้ แต่กลับจะเห็นเหตุเห็นผลเห็นที่มาที่ไปเห็นว่าอะไรควรยึดเห็นว่าอะไรควรปล่อยและนั่นเป็นการเห็นแจ้งที่ข้ามพ้นความนึกคิดผิวเผินกล่าวคือเป็นการรับรู้ด้วยจิตเต็มเต็มดวงถึงรากถึงโคนของความรู้สึกจึงยกระดับความรู้สึกยกระดับความรับรู้และยกระดับสภาพจิตวิญญาณ ให้เข้าสู่ภาวะฉลาดสูงสุดได้จริงจริงแมกนัสคาลเซนรู้ทางเห็นนี่มิชนะรูปประกอบเป็นภาพของคาลเซนโชว์การเล่นมารุก ป, ปิดตากับคู่แข่งสิบคนยังมีผู้สามารถเล่นมารุก ป, ปิดตาอีกมากหาดูได้จากยู u b e เจ้าของวาทะผมแปลกใจที่ตำแหน่งแชมป์โลกทำให้ผู้คนรู้สึกกับผมต่างไปทั้งที่ผมก็ว่าผมไม่ได้เก่งไปกว่าเดิมเลยคำพูดนี้ถ้าฟังเผลอเหมือนแกล้งถ่อมตัวอย่างหน้ามันไส้แต่ความจริงก็คือก่อนที่แม็กนัคคาวเซนได้วัยสาจะครองตำแหน่งแชมป์โลกมากรุกในปีข้อศ2 0สอ 2013. เขาชนะได้มากที่สุดมีเรตติ้งสูงสุด เป็นหมายเลขหนึ่งของโลกติดต่อกันมาหลายปีตั้งแต่อายุได้เพียง19เก้าน้นแล้วครั้งที่แมกนัคข่าวเซนอายุแค่สิบห้าก็เก่งขนาดโชว์การเล่นแบบปิดตากับคู่ต่อสู้ที่เปิดตาพร้อมกันถึงยี่สิบห้าคนเมื่อได้รับคำถามว่าเกิดอะไรขึ้นในหัวของคุณตอนเล่นหมากรุก ป, ปิดตาพร้อมกันตั้งเป็นสิบกระดาน คำตอบจากคอเส้นคือผมใช้วิธีจำหน้าคู่ต่อสู้แล้วเรียงหน้าแต่ละคนตามลำดับหมายเลขที่นั่งเพื่อโยงมากที่กำลังอยู่บนแต่ละกระดานเข้ากับไปหน้าเจ้าของกระดานอีกทีผมจะคิดคำนวณอยู่ในใจที่กระดานเท่านั้นและบางครั้งผมจำเป็นต้องเค้นอย่างหนักเพื่อจะเรียกความจำเกี่ยวกับกระดานถัดมาที่ต้องเล่น ฟังแล้วคนทั่วไปก็ไม่รู้อยู่ดีว่าเกิดอะไรขึ้นในหัวของคนระดับข้าวเส้นรู้แต่ว่าการเห็นนิมิตหมากลุกอย่างกระจ่างชัดในใจมีจริงเป็นไปได้จริงไม่ผิดพลาดจริงและที่สําคัญนิมิตนั้นชนะคนเก่งๆที่เปิดตาเล่นได้หลายสิบคนจริงๆและนั่นก็เป็นแรงบันดาลใจให้หลายคนอยากรู้ทางเห็นให้ได้อย่างนั้นบ้าง